สูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตนะอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อสูญเสียของรักหรือคนรักเนี่ยมันก็ธรรมดานะที่ย่อมจะมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่า ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนนะมันก็ต้องมีความห่วงใยนะมีความผูกพันของรักหรือคนรักอันนี้ก็เป็นความจริงนะที่เราทุกคนก็ต้องยอมรับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความพลัดพราดสูญเสียเกิดขึ้นแล้วความโศกเศร้านะตามมาเนี่ยเราก็ต้องยอมนะให้ตัวเองเนี่ย เศร้าเลือนิยามให้ตัวเองเนี่ยเศร้าได้แม้เราจะไม่ชอบก็ตามหรือว่าแม้เราจะเป็นเป็นพระเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นคนที่ผ่านการปฏิบัติธรรมมาหาว่าความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับ ยอมรับว่าตัวเองเศร้าเพราะถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมามันเกิดความพยายามที่จะกดข่มความเศร้าหรือปฏิเสธว่าฉันไม่เศร้าฉันไม่เศร้าฉันไม่ความกลัซึ่งก็คือการปฏิเสธความจริงหรือปฏิเสธตัวเองด้วยซ้าถ้าไม่เศร้าก็แล้วไปนะแต่ถ้าเศร้าแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเศร้า เพราะว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าฉันเป็นผู้ชายหรือรว่าพ่ะฉันเป็นพระหรือว่าเป็นแม่ชีหรือเ้วยผลอะไรก็แล้วแต่การอยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยนะของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพื้นฐานของการรับมือนะกับความทุกข์ไม่ว่าจะมาในุ่ง ข, ของความเศร้าความโกรธ ความมีช้าพยาบาทหรืออะไรก็ตามในทาตรงข้ามเนี่ยถ้าปฏิเสธเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การผักสายการกดข่มซึ่งจะสร้างปัญหาตามมาอย่างบางคนเนี่ยนะก็เวลาสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเศร้าพยายามกดข่มความเศร้าก็ทำหน้า ปกติหรือว่ายิ้มย่านแต่มใสแม้กระทั่งในงานศพแต่พอเวลาผ่านไปเป็นปีเนี่ยพอมีอะไรมากระทบสักหน่อยนะเกี่ยวกับคนที่สูญเสียไปยนี่ก็ร้องหมร้องไห้เรียกว่าฟูมไฟนี่เป็นวันๆเลยบางทีเป็นเดือนเลยนะ ซึ่งถ้าหากว่ายอมรับตั้งแต่แรกว่ า, าตัวเองเศร้าเนี่ยก็อาจจะเศร้าเพียงแคไม่กี่วันแล้วก็สามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยการยอมรับว่าตัวเองเศร้าหรืออ น, นุญาตให้ตัวเองเศร้าเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรยอมรับ หรือควรปฏิบัติแล้วต่อไปเนี่ยก็พอจามีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยจากการยอมรับว่าตัวเองเศร้าเนี่ยมันยก็จะค่อยๆค่อยๆเคลื่อนมาสู่การยอมรับความเศร้ามันไม่เหมือนกันนะยอมรับว่าตัวเองเศร้ากับยอมรับความเศร้าเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเศร้านี่มันมีตัวเองเป็นผู้เศร้าแต่ว่ายอมรับความเศร้านี่มัน เป็นการพัฒนาไปอีระดับหนึ่งจะเรียกว่ามันไม่ได้มีผู้เศร้าก็ว่าได้นะแต่มันมีแต่ความเศร้าอาจจะมีบางช่วงมนขนาขณะที่มีผู้เศร้าเกิดขึ้นนะแต่ว่าถึงที่มันเด่นกว่าคือการเห็นหรือการยอมรับความเศร้า ต่อมาไม่อยาพัฒนาไปต้องเห็นตัวเองเศร้ารู้ว่าตัวเองเศร้า อ, อันนี้มันก็ไม่เหมือนกับการยอมรับความเศร้าหรือการอายอมรับว่าตัวเองเศร้านะมันเป็นพัฒนาการอีกระดับหนึ่งเห็นตัวเองเศร้าเหมือนกับว่ามองออกมาข้างนอกแล้วเห็นตัวเองเศร้า แต่ถ้าสตพิพัฒนาไปมันก็จะไม่ใช่เห็นตัวเองเศร้าละมันเห็นความเศร้านะตรงนี้แหละในภาวะนี้แหละมันก็จะไม่มีผู้เศร้าเกิดขึ้นอเอความเศร้าแล้วเนี่ยนะความเศร้ามันก็ทนอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าทุกอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธความกลัวจุดอ่อนเข้ามาก็คือมัน กลัวการถูกรู้ถูกเห็นพอมีสติเข้าไปเห็นก็ไปเห็นมันเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟที่ขาดออกซิเจนนะมันก็ค่อยดับไปการเห็นความเศร้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะเป็นสัาย์จากความเศร้าได้ในที่สุด ก็ต้องอาศัยสติแต่ก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยถ้าว่าสติเรายังไม่แข็งแรงเนี่ย ท, ทั้งที่เราไม่ชอบความเศร้านะแต่ว่าความเศร้ามันก็ก่อกลุ้มจิตใจเราเพราะอะไรนะเราไม่ชอบความเศร้าก็จริงแต่ความเศร้าเนี่ยมันต้องการที่จะคลองจิตคลองใจเราให้นานที่สุด มันก็สิ่งมีชีวิตที่ต้องการรักษาตัวให้รอดให้มีชีวิตยืนยาวที่สุดอารมณ์อกุศลใจความเศร้าความโกรธความกลัวก็เหมือนกันเราไม่ชอบมันก็จริงนะแต่ว่าถ้ามันครองจิตครองใจเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีอํานาจเหนือจิตเหนือใจของเรานี่เราก็เราก็จะพยายามที่จะยืดอายุมันให้ยืนยาวมากที่สุด โดยการบงการให้เราเนี่ยเรียกว่านั่งเจ้าจุกคุณคิดถึงความสูญเสียคุณคิดถึงคนที่จากไปหรือคุณคิดถึงของที่สูญหายไปอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ความเศร้าเนี่ยมันก็จะคลองจิตคลองจาจเราได้นานขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเป็นการต่ อ, อยุ่ให้มัน เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะเวลามีใครมาชวนให้เราทำอะไรแม้กระทั่งชวนไปเที่ยวแต่ถ้าว่าเรากำลังเศร้าอยู่เราก็ไม่อยากไปไม่ใช่ไม่อยากไปเดียวบางทีขับไล่ไสส่งเพื่อนที่มาชวนด้วยอันนี้เป็นเพราะความเศําบงการให้เราพูดจะขับไล่เขาให้ไปไ ก, ไกลๆมันบงการเรานะความเศราเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะทำแต่ว่าเราตกอยู่ในอำนาจของมันเสียละแล้วมันก็รู้ว่าถ้าเราทำตามคามแนะนำของเพื่อนความเศร้าก็จะค่อยเลือนหายไปนะพอใจไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนแม้จะเป็นชั่วคราวชั่วขณะความเศร้ามันก็รู้นะถ้าหากว่าเราขืน ไปทำอย่างอื่นลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่หรือว่าไปที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันทนไม่ได้มันยอมไม่ได้ใช่ไหมก็เลยสั่งเราเนี่ยให้ไม่เพียงแต่นั่งเจ้าจุบทั้งวันทั้งคืนแต่ยังรวมไปถึงการผู้จักขับไล่สายส่งนะคนที่จะมาชวนให้เราทำอะไรก็ตาม ที่ทำให้ความเศร้ามันเลือนหายไปอันนี้เราก็ต้องรู้ธรรมชาติของมันแล้วก็ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของมันหรือปล่อยให้มันบงการนะชีวิตจิตใจของเราตรงนี้ต้องใช้สติมากทีเดียวแต่ว่าต้องอยากสติแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้นะัคือความเมตตานะ เมตตาที่รวมไปถึงเมตตาตัวเองด้วยนะครที่เราอนุญาตให้ตัวเองเศร้าเราก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีคนรักอาจจะเป็นพ่อแม่เนี่ยอยู่กับเราแล้วการอนีญาให้ตัวเองเนี่ยเดินหน้าต่อไปเนี่ย มันก็ต้องอาศัยการรักตัวเองนะอนุญาตให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังแล้วมันไม่ใช่แค่ความรักตัวเองอย่างเดียวนะความรักที่มีต่อผู้อื่นนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กันมา4ี่สิสิปีจนแก่ชะราแล้วว่าหนึ่ง สามีก็ป่วยหนักแล้วก็อาการก็สุดลงไปเรื่อยๆจนถึงระยะสุดท้ายภรรยานี่ก็คล่ำครวญ น, นะทั้งเสียใจแล้วก็ผดหูมีวันหนึ่งก็ตัดพ้อว่าเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอสามีก็ก็พูดว่าเนี่ยอยู่ได้ แล้วก็แนะนำเธออย่างหนึ่งนะก็คือให้มอบความรักที่มีกับเขาเนี่ยไปให้ผู้อื่นแทนที่แรกภริยาก็ไม่เข้าใจนะคิดว่าเนี่ยสามีบอกให้ไปมีใหม่ฉนะัน จ, จะมีใหม่ได้อย่างไรนะไม่ใช่มีใหม่นะสิ่งที่สามีต้องการบอกคือว่าให้ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรักด้วยความเมตตา แบบเดียวกับที่เคยมีให้เขาพอสามีเสียชีวิตนี่ฝ่ายหญิงก็โศกเศร้ามากนะก็เรียกว่าแทบจะอยู่ไม่ได้นะแต่ก็นึกถึงคาพูดของสามีที่แนะนำให้เธอเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนด้วยความเมตตาด้วยความรักอย่างเดียวกับที่เคยมีให้กับเขาเนี่ย เธอก็เริ่มที่จะนะออกไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนไร้บ้านบ้างหรือว่าเด็กจรจัดบ้างหรือว่าเด็กอมกัมพระหรือว่าคนชรานะที่ถูกทอดทิ้งแล้วเธอก็เพราะว่าพอเธอไปช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยความเศร้าก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไป จนกระทั่งสามารถจะมีชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสได้เหมือนกับว่าชีวิตที่เคยสูญเสียไปมันก็กลับคืนมานะหมายถึงความมีชีชวิตชีวาอันนี้ก็ก็คล้ายกับเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งก็อายุก็50กกว่าแล้ว เกือบจะ60แล้วสูญเสียสามีที่อยู่กันมานานสามีเป็นโรคมาลาเรียมาลาเรียนี่มันก็โรคนคนจนนะไม่ไม่นานหลังจากนั้นไม่นานนะก็สูญเสียลูกชายคนเดียวจากอุบัติเหตุรถยนต์พอสูญเสียสองคนเนี่ยเชื่ อ, องเธอก็เหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรละ แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมวันตะอวันผ่านไปอย่างว่างเปล่านอนก็นอนไม่หลับแล้วก็ไม่สามารถจะยิ้มได้เลยพอชีวิตรู้สึกว่างเปล่าเนี่ยก็ขึ้นถึงการฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วแต่ก็หักข้ามใจไม่ทําอย่างนั้นเมื่วันหนึ่งเนี่ยนะเดินกลับจากที่ทํางานเธอเป็นพนัก ง, งานทําความสะอาด หลัที่ทำงานเดินกลับไปบ้านเนี่ยตอนนั้นก็คัมละมันก็มีแมวผอมโซตัวหนึ่งวิ่งตามเธอมาจนถึงหน้าบ้านเลยเธอเปิดประตูบ้านก็นึกถึงแมวตัวนี้ว่าว่าข้างนอกนี่มันหนาวสงสารแมวนะก็เลยอุ้มแมวเข้าไปในบ้านแล้วเนื่องจากมันหิวมันผอมโซมากนะเธอก็เลยรินนมนะให้มันกิน มันก็เรียนนมจนหมดจานเลยนะพอมนเรียนนมหมดจานมันก็มีความสุขมันก็มาพันแข้งพันขาเธอเธอเห็นก็เอ็นดูนะแล้วก็ยิ้มแล้วก็ฉุกใจขึ้นมาว่าเนี่เอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้นนานแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันยิ้มได้ในรอบหลายเดือนแล้วเธอคิดต่อไปว่า ถ้าการช่วยแมวผอมโซเนี่ยมันทำให้ฉันยิ้มได้ถ้าฉันไปช่วยคนที่ทุกข์ยากเนี่ยให้มีความสุขฉันก็น่าจะมีความสุขด้วยเหมือนกันแล้วตแต่นั้นมาเนี่ยเธอก็นะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยแล้วก็หาของนะ ของกินไปให้เขาขนมปังเพื่อนเนี่ยพอเห็นเธอมาเยี่ยมนะ่ยเขาก็ยิ้มมีความสุขเธอเองเขายิ้มเธอก็พอมีความสุขไปด้วยแล้วเธอก็ได้รู้ว่าโการช่วยคนมีความสุขนี่ก็ทําให้เรามีความสุขนะและนับแต่นั้นมาเนี่ยเธอก็ตั้งใจนะทุกวันเนี่ยเธอก็จะทำดีเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคน เธอก็ตั้งใจทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งไในสุดนะั้นเธอก็กลับมายิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสได้ที่เคยนอนไม่หลับก็หมดปัญหาไปแล้วกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแม้ว่าสามีแล้วก็ลูกชายไม่ได้หวนกลับมาแล้วแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งสองกรณีนเนี่ยมันชื่อเลยนะว่าคนเราเนี่ยม้จะสูญเสียจนเกิดความเศร้าเนี่ยแต่ถ้าว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความเศร้าได้เหมือนกับเป็นการเยียวยาจิตใจอันนี้เพราะว่าพอเราช่วยคนอื่นให้มีความสุขเนี่ยเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วย และความสุขเนี่ยมันก็ไปไปทดแทนหรือไปขับไล่ความเศร้าในใจนะให้เหลือนหายไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับ น, น้ําดีเนะี่ยที่มันช่วยไล่น้ําเสียออกไปน้ําเสียนี่เราไม่จำเป็นต้องไปวิทย์ ท, ทิ้งนะนะแค่เราปล่อยน้ําดีเข้าไปความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งความสุขดีที่เกิดจากเมตตากรุณาเนี่ยคือคนเราทุกคนก็มีเมตตากรุณาอยู่ในใจนะถ้าเกิดว่าเราปลูกเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เห็นคนทุกข์ยากแล้วเราไปช่วยเขาเมตตากรุณานี่มันก็เป็นอารมณ์ฝ่ายกุศล น, นะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไปเบียดบังไอ้ความไอ้อารมณ์อกุศลออกไป อันได้แกความเศร้าความรวมทั้งความโกรธความหงุดหงิดความท้อแท้หดหู่ด้วยทั้งความสุขที่เกิดจากเมตทั้งความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เมตตากรุณาที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันมีพลังนะที่สามารถจะบรรเทาความเศร้าโศกแล้วก็เยียวยาจิตใจได้เมื่อหลายคนเพะว่าเนี่ยเวลามีความเศร้าเพราะสูญเสียคนรักเนี่ย การได้ทำอะไรดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันช่วยเยียวยาจิตใจได้มากทีเดียวยังมีแม่คนหนึ่งเนี่ยสูญเสียลูกสาวนะอายุก็ยังเพิ่งแค่สิบห้าเองเธอก็เสียใจมากนะเรียกว่าแต่ละวันผ่านไปอย่างเจ็บปวดทรมานมากแต่ละวันหนึ่งเนี่ยเธอก็พูดเป็นแม่นี่ก็ เหลือไปมองเห็นจักเย็บผ้าจักเย็บผ้านี่แม่ซื้อให้กับลูกสาวตั้งแต่ตอนที่ลูกสาวอายุ89ขวบนะเพราะลูกสาวชอบตัดเย็บเสื้อผ้าเพลินช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีโควิดกําลังเริ่มจะระบาดนะเธอก็เลยคิดว่าเนี่ยอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อช่วยเหลือคนที่เขากำลังดูด่านหน้าเพื่อ ช่ยคนไข้โควิดเช่นหมอพยาบาลตอนนั้นเนี่ยหน้ากากอนามัยมันก็ยังหายากอยู่นะแล้วก็เป็นที่ต้องการมากเธอก็เลยใช้จากเย็บผ้าของลูกเนี่ยเ ย, เย็บหน้ากากอนามายัยในการที่ใช้จากเย็บผ้าของลูกเนี่ยทำสิ่งดีๆเนี่ยมันช่วยปลอบประโลมจิตใจของผู้เป็นแม่ได้นะ นึกถึงลูกนึกถึงจักรเย็บผ้าที่ลูกชอบและเมื่อใช้จักรเย็บผ้าแล้วเนี่ยนะในการทำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันก็เหมายกวาว่าลูกได้มีส่วนช่วยทำสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมด้วยมันทำให้เกิดความสึกดีกับผู้เป็นแม่นะแล้วหน้าการน้าไม้นี่นะก็ แม่นี่ก็เอามาขายนะขายออนไลน์แต่ว่าขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยหมอพยาบาลที่อยู่ด่านหน้าเพื่อ้เขามีกำลังในการทำงานตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แม่คนเดียวที่ทำนะพ่อก็ด้วยพี่ชายก็ด้วยระหว่างที่ทำเนี่ยก็มันก็ช่วยเยียวยาความเศร้านะ เพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยในขณะที่นึกถึงลูกสาวนะแต่ว่าก็ยินดีที่ได้ทำความดีในานามของลูกสาวหรือว่าทำความดีที่ลูกสาวเนี่ยนะชื่นชมสรรเสริญในสื่อก็ช่วยนะทำให้ความเศร้านะของผู้เป็นแม่เนี่ยมันคลี่คลายลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาเนี่ยมันก็เป็นวิธีเยียวยานะความความโศกเศร้านะของผู้สูญเสียได้ได้ดีเป็นวิธีหนึ่งทีเดียวที่จริงเนี่ยนะเพียงแค่ทำอะไรเนี่ยไม่นั่งเศร้าเจ้าจุกเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วแทนที่จะเศร้าเจ้าจุกแล้วก็จมอยู่ความสูญเสียนะลุกมา ปลูกต้นไม้ลูกมาวาดรูปทำสิ่งดีๆที่มันเป็นพลังสร้างสรรค์เพราะมันช่วยเยียวยาจิตใจนะของผู้สูญเสียได้มากแล้วก็ไม่ใช่เยียวยาจิตใจนะมันอาจเยียวยาร่างกายด้วยก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นมะเร็งปอดนะตอนที่เป็นนี่ก็ยุ่ไม่มากนะ 20กว่ากว่าพอเป็นมะเร็งปอดทำไงนะอ่ะก็ต้องผ่าตัดใช้แสงฉีดเคมปปอดหายไปข้างหนึ่งก็ปรากฏว่ามะเร็งหายนะแต่ปรากฏว่าผ่านไป7ปีเนี่ยมะเร็งกลับมาใหม่เวลามะเร็งกลับมาใหม่เนี่ยหมอก็รู้เลยว่ามันแรงกว่าเดิมแล้วก็รักษาได้ยากแล้ว เธอก็รู้สึกท้อแท้หดหูนะพ่ออายุยังไม่มากแต่ในอีกด้านนึงก็ฉุกคิดว่าเนี่ยในเมื่อฉันมีเวลาไม่มากเนี่ยฉันไดาทําความดีที่ผ่านมานี่ฉันทําแต่หาเงินหาทองทําเพื่อตัวเองนะรูปสวยชุดเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีคุณค่าเลยในขาเที่ยงมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากก็อยากทําให้ชุดมีคุณค่าขึ้นมา ก็เลยไปเป็นจิตอาสาให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะแล้วก็เธอก็เธอก็เน้นนะเป็นจิตอาสายกับเด็กที่ป่วยป่วยติดเตียงป่วยในระยะท้ายหรือป่วยด้วยโรคร้ายเธอไม่เคยทำมาก่อนนะแต่พอทำเนี่ยก็เริ่มเริ่มติดใจนะเพราะว่าทำแล้วมีความสุขก็ทำเป็นปีเลยนะ แล้วพอไปตรวจสุขภาพพบว่ามะเร็งมันหายไปเธอก็ประหลาดใจมากแล้วก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะมะเร็งก็ไม่หวนัำมาอมกเลยแล้วก็มานึกใครขวรว่าเนี่มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มะเร็งหายไปแล้วก็พบว่าเนี่ยมันก็คงมีอยู่อย่างเดียวนะ นั่นคือการที่เธอไปเป็นจิตอาสาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้กินยาหรือรับการรักษาพยาบาลอะไรเอนเลยนะเพราะารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ละแต่สิ่งที่เธอเชื่อว่าเนี่ยทำให้หายจากมะเร็งนี้ก็คือการที่เธอไปเป็นจิตอาสาเธอก็ถึงกับพูดวันจิตอาสาที่เป็นคีโมขนาดเองเนะ จริงๆเนี่ยในการที่เธอทำจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นปลุกเป็ตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจและตากรุณาเนี่ยมันก็คงจะมีส่วนนะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเธอภูมิคุ้มกันเนี่ยพอมันถูกกระตุ้นนะมันทำงานได้ดีขึ้นมันก็ไปจัดการกับมะเร็งเซลล์มะเร็งในปอกของเธอ ให้หายไปทีละนิดทีละนิดจนหมดได้ทั้งเมตตากรุณาที่ถูกปลุกแล้วก็ความสุขที่ได้รับนะจากการไปจิตอาสานี่มันก็มีอนุภาพมากนะอันนี้ก็คงจะเป็นคําอธิบายนะว่าทําไมนะมะเร็งเนี่ยมันหายไปจากปอดของเธอแต่ที่แน่คือว่าไม่ว่ามะเร็งจะหายหรือไม่เนี่ยที่แน่คือว่า แล้วมีความสุขเป็นสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นสุขที่เกิดจากเมตตากรุณาได้ถูกปลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวลาเรามีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่ามีความทุกข์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะเมตตากรุณาเนี่ยมันมีพลังมากรวมทั้งการที่เรามีสติยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอนุญาตให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ ง่ามีสติจงกันทั่งนะไม่ใช่เห็นว่าตัวเองเศร้านะแต่ว่าเห็นความเศร้าอันนี้มันก็จะช่วยเสริมให้เกิดพลังในการเยียวยาซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เยียวยาจิตใจนะแต่สำหรับคนป่วยก็สามารถจะเยียวยากายได้ด้วยออเย็นนี้พืชนี้นะเอากราบ